ถึงเรื่องไหนนะั่นเนี่ยครุกคลีพลาดถ้าพลาดสามอย่างแล้วนะแย่เลยทีแรกเนี่ยไม่มักน้อยมากมากแล้วก็ไม่ยอมสันโดษแล้วไปครุกคลีมากดังนั้นต้องเตือนตัวเองถ้าไม่มีใครเตือนนะต้องเตือนตัวเองมักน้อยสันโดษไม่ครุกคลีไม่ครุกคลีแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันต้องมาถึงวิเวก วิเวกคือมีสามอย่างวิเวกเนี่ยมีสามอย่างกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็อุปัิวิเวกกายวิเวกก็จักไหมปลีกตัวตัวเองไปเอากายปลีกห่างมาจากคนอื่นนี่ ก, กายวิเวกเช่นสมมติว่าตัวเนี้ยมีใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะคลุกคลีอยู่ในนี่เลยอยากจะวิเวกก็ไปหาที่ที่เดินคนเดียวไปหาที่นั่งคนเดียวนี่เอากายออกไป แต่ไปนั่งตัวนู้นแล้วจิตยังกังวลว่าเขานั่งตัวนี้แล้วเขาทาอะไรกันอยู่เนาะจิตไม่วิเวกเข้าใจไหมจิตยังคอยครุกครีจิตยังคอยส่งออกมาข้างนอกไม่วิเวกจิตวิเวกคือไม่ออกมาครุบครีไม่ส่งจิตออกมาครุกครีจิตวิเวกก็คือทําสมถะกรรมฐานทํำวิปัสสนากรรมฐานทําสมถะก็คือเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์เดียวถ้าทําได้ทําถึงสมาบัติ8ได้จิตวิเวก ถ้ามันไม่มีเวกแล้วรู้ทันได้สมาธิอีกแบบหนึง่งรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนได้จิตที่ตั้งมัน่น <ide ak> พอได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วมันจะเป็นทางนำไปสู่อุปัติวิเวกรู้จักอุปัติวิเวกไหมอุปัติวิเวกเนี่ยก็คือนิพพาน <S <s เอาสูงสุดเลยคือนิพพานแต่ละ ถ, ถ้าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนก็คือมรรคผลในแต่ละขั้นแต่ละขั้นคือ ห่างจากกิเลสไม่ครุกคลีกับกิเลสอุปัติเนี่ยก็คือกิเลสต่างๆนั่นเองนะวิเวกเฉพาะกายยังไม่ไม่แน่นอนนะบางคนไปอยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านไปอยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านแต่อยู่กับหมูแล้วมีกำลังใจที่จะทำกายอยู่ดูเหมือนไม่วิเวกนะแต่จิตวิเวกเอาจิตวิเวกไว้ก่อน จิตวิเวกให้ได้จิตวิเวกแล้วมันนิ่งอยู่เฉยๆแล้วไม่เกิดไม่เกิดปัญญาเดี๋ยวมันออกมาครุกคลีอีกทําสมาธิแล้วดูเหมือนวิเวกพอออกจากสมาธิไปครุกคลีต่อยังไม่มั่นคงนะยังมีกิเลสคอยครุกคลุกอยู่เนี่ย น, นะกิเลสกับใจยังคลุกกันอยู่ตรงนี้เรียกว่ายังไม่มีอุปติวิเวกดังนั้นให้รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นตอนรู้ทันนะจิตกับกิเลสจะอยู่แยกออกจากกันไม่คลุกอยู่ด้วยกัน ใครเคยดูกิเลสแล้วรู้สึกว่ากิเลสเป็นอันหนึ่งแล้วก็มีจิตเป็นผู้ดูอีกอั น, นมึงมีไหมเคยไหมตอนนั้นนะ่ะมันแยกออกจากกันเกิดวิเวกขึ้นชั่วขณะเข้าใจไหมไม่ครุกพอลืมไปเนีนะเป็นกูโกรธตอนนี้จิตกับกิเลสคลุกกันกูกําลังโกรธนะนะมึงอย่ามายุ่งกับกูนะมึงจะพูดอีกคำนึงอีกคํานึ่งกูรัดแน่นะตอนเนี้คือไม่เกิดสติ จิตกับกิเลสคลุกกันเป็นกูโกรธเข้าใจไหมเป็นกูรักแม้แต่เขาน่ารักตอนเขาน่ารักจิตกับกิเลสก็คลุกอยู่ด้วยกันวิธีที่ให้จิตกับกิเลสแยกจากกันบ้างคือเจริญสติขึ้นมาดูว่าเมื่อกี้นี้เกิดราคะเกิดขึ้นกับจิตตอนรู้เนี่ยนะราคะเป็นอันนึงตัวรู้เป็นอีกอันหนึง่งเมื่อกี้นี้เกิดโทสะเกิดขึ้นกับจิตจะเห็นว่าโทสะอันหนึง่งตัวรู้อันหนึง่งกิเลสกับ วิเวกอยู่ระยะหนึ่งแล้วใช้ตรงนี้แหละเป็นเป็นข้อมูลให้กับจิตว่าเฮ้ยกิเลส ต, ตัวหนึ่งจิตเป็นตัวหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะมันแยกกันได้มันวิเวกจากกันได้ไปดูอย่างนี้นะฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านไปตอนฟุ้งซ่านเนี่ยจิตกับความคิดคลุกอยู่ด้วยกันคลุกคลีไม่วิเวกเลยคลุกคลีกันพอมีสติว่า เมื่อกี้เกิดฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกดูกิเลสถูกดูอยู่มีจิตเป็นผู้ดูอยู่ตัวหนึ่งแยกออกจากกันเกิดวิเวกมาระยะหนึ่งนะทุกครั้งที่วิเวกเกิดขึ้นมาเนี่ยนะจิตมันจะเรียนรู้จะรับข้อมูลว่ากิเลสตัวนี้เป็นอย่างนี้ราคามีลักษณะอย่างนี้มันดูเหมือนผูกพันเหมือนเหมือนยางเหนียวอย่างนี้โทสะมันลักษณะนี้มันดูดุมันดูด น, ดน่าขยะกขยงดู ดูอะไรอยากทำลายไม่อยากอยู่กับสิ่งนี้อยากจะหนีออกจากจุดนี้ไปอย่างเงี้ยโทรสามีลักษณะอย่างนี้เห็นลักษณะของมันแต่ถ้าคลุกอยู่ด้วยกันจะไม่เห็นจะไม่เห็นเช่นเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยากจะรู้ว่าหลังคานี้สีอะไรเนี่ยนะเราต้องออกไปข้างบนห <c oughs> ไปลอยอยู่ข้างบนจึงรู้ว่าหลังคานี้สีอะไรเร า, เ ร, ารู้ว่าอาคารนี้มีลักษณะยัไงไรถ้าเราอยู่ในอาคารนะ จะไม่รู้ต้องออกมาวิเวกออกมาก่อนแยกออกมาจากสิ่งนั้นก่อนกําลังมีความโกรธอยู่นะจะไม่รู้ว่าความโกรธเป็นยังไง ร, รู้แต่ว่าไอ้นั่นไม่ดีแย่คนนั้นไม่ดีเหตุการณ์นี้ไม่ชอบไม่เห็นความโกรธเห็นแต่สิ่งอื่นกําลังมีความรักอยู่ไม่รู้เลยความรักเป็นยังไงแต่รู้ว่าคนนั้นน่าเข้าไปคุยด้วยน่าเข้าไปอยู่ด้วยน่าสัมผัสน่ามองนานๆอย่นางเงี้ยอย่างนี้อยากอยู่ด้วยกันอยากทำความรู้จัก ราคาเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าคนนั้นเป็นยังไงเข้าใจไหมนั้นหัดวิเวกให้ถึงอุปถิวิเวกแม้ชั่วขณะก็ยังดีแล้วมันจะเป็นบันไดเป็นข้อมูลให้กับจิตจิตจะมีปัญญามากขึ้นแล้วมันจะสรุปว่าเออมันไม่เที่ยงราคะเกิดขึ้นมาไม่เที่ยงโทสะเกิดขึ้นมาไม่เที่ยงสุขเดี๋ยวก็ชั่วคราวทุ ก, ก็ชั่วคราวเหล่านี้ไม่ใช่เรา ราคะไม่ใช่เราแม้ตัวรู้ก็ไม่ใช่เราตัวที่รู้อยู่เนี่ยนะก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่าจิตบ้างต้องหัดดูนะอย่าปล่อยให้มันคลุกอยู่กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตนี้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เป็นโอกาสดีของเราเกิดมาได้พบคำพูดที่พาใจให้เปิดได้พบกระถาคือคาพูดที่ ชวนให้มักน้อยชวนให้สันโดษชวนให้ไม่คลุกคลีชวนให้วิเวกคำพูดอีกคำหนึ่งคือชวนให้ปรารบความเพียรปรารบความเพียรคือฟังมาหมดแล้วแล้วไม่ยอมทำเนี่ยนะ <c oughs> เสียเวลาพูด <c oughs> ใช่ไหมมันต้องปรารบความเพียรคือคำพูดท่านยกตัวอย่างนะคำพูดที่ชักชวนให้ปรารบความเพียรก็คือว่ากิเลส ท, ที่กาลังเกิดขึ้นในขณะเดินอย่าให้มันลาก ต่อนเนื่องไปถึงยืนดูให้เห็นให้มันดับตอนที่มันเดินก่อนที่จะไปยืนกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นตอนยืนแล้วตอนจะนั่งเนยนะอย่าให้กิเลสนั้นมันลากไปถึงตอนนั่งอย่าให้มันข้ามอิริยาบถนั่งอยู่คิดจะนอนเนี่ยนะอย่าให้กิเลสตอนนั่งเนี่ยลากข้ามไปถึงตอนนอนรู้ให้ทันก่อนเราเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาจน เดินไปทั่วเมืองแล้วก็กลับไปนอดไม่รู้เลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ปราบรบความเพียรแต่ถ้าปราบรบความเพียรเดินเดินอยู่นี่แหละเดินอยู่สัมเพงก่อนจะออกจากสัมเพงรู้ให้ทันก่อนอย่างเงี้ยก่อนจะออกจากบ้านจิตสบายรู้รู้ให้ทันก่อนเข้าใจไหมแต่ก่อนออกจากบ้านจิตสบายเนี่ยนะมันจะหลายอิริยาบทแล้วเนาะนั่งอยู่ตอนเนี้ยถ้ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ให้ทันก่อนก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบทเอาขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ออกจากบ้านนะ เปลี่ยนอิยาบทออกจากอิยาบทนี้รู้ทันกิเลสให้ได้ก่อนว่ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นอย่าให้กิเลสนั้นข้ามอิยาบทไปอยู่อิยาบทอื่นเข้าใจไหมอย่าเลี้ยงมัน <laughs> อย่าเลี้ยงมันบางทีเราเสียดายนะกําลังมันอินในอารมณ์เลยนะมันมากเลยคุยเมาอยู่นะเดนเดินคุยเมาอยู่นะนั่งนั่งคุยต่อคุยต่อไอที่ฟุ้งอยู่เมื่อกี้นะฟุ้งต่อ กำลังมีโทสะก็โทสะต่อกาลังมีราคะก็ะมีราคะต่อฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านต่อคุยเสร็จคุยไม่เสร็จกินเสร็จกินเสร็จแต่เรื่องราวยังไม่เสร็จคุยต่อเดินไปต่อแยกจากกันนะเดี๋ยวไลายต่อเดี๋ยวแชทกันต่อ <Okay. S 2> เรื่องไม่จบ <c oughs> เรื่องไม่ยอมจบกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วไม่ยอมดับไม่ยอมดับไม่ยอมรู้มันเลี้ยงมันอันนี้เรียกว่าไม่ปราราความเพียร ปรารบความเพียรไม่ใช่เดิน1ิชั่วโมงไม่ใช่นั่งห้าชั่วโมงแต่ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอย่าให้ข้ามอิริยาบถเข้าใจไหมอย่าให้ข้ามอิริยาบถนี่คือคำพูดที่ชักชวนให้ปรารบความเพียรแล้วพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยพอถึงสุดท้ายคือไปปรารบความเพียรคำพูดทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในหัวข้อหัวข้อเดียวคือกระถาเปิดใจ คำพูดที่ให้เปิดใจถ้าไม่มีสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วนะใจจะปิดมันจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับธรรมะใจนี่เหมือนเป็นภาชนะอย่างหนึง่งถ้าความจะแล้วเนี่ยนะมันไม่ยอมรับธรรมะถ้ามีคำพูดห้าอย่างเหล่านี้นะใจจะเปิดใจจะเปิดขึ้นมาให้มักน้อยให้สันโดษให้ไม่ครุกคลีให้วิเวกและให้ปราวกความเพียรชักชวนให้ ชักชวนให้มักน้อยชักชวนให้สันโดษชักชวนให้ไม่ครุกคลีชักชวนให้วิเวกชักชวนให้ปราลบความเพียรได้ฟังคำพูดงนี้แล้วไปปรารบความเพียรเข้าใจไหมไปปรารบความเพี ย, <c oughs> ยปป ร, รยแล้วจเจริญปัญญาด้วยพระเจ้าสอนพระเมคียะนี่ยังไม่จบเรื่องเลยนะพระเมคียะยังนั่งอยู่หน้าพระเจ้าเลยนะยังไม่จบเรื่อง <c oughs> พระเมคียะเนี่ยถูกอกุศลวิตกครอบงำสามอย่างเลยนะ กลับมารายงานุูธเจ้าสารภาพผิดตัวเองว่าพลาดไปแล้วุูธเจ้าบอกว่าให้คบเพื่อนที่ดีให้มีศีล ร, รักษาเอาไว้ให้หาคำพูดห้าอย่างนี้ถ้าไม่มีพูดในใจแล้วไปปรารวาาเพียรดูนะธรรมงท่านต่อเนื่องมากเลยนะคำพูดห้าอย่างเนี่ย ชักชวนนูนชักชวนนี่ชักชวนข้อสุดท้ายคือชักชวนให้ปลาระความเพียรแล้วมาต่อข้อต่อมาข้อที่4ี่คือไปปลาระความเพียรไปปลาระความเพียรแล้วก็ทำปัญญาให้เกิด5อย่างหข้อนะงงไหมเนี่ยมีข้อซอนซอนอยู่เนี่ยนะในห้าข้อเนี้ยข้อแรกข้อแรกคบเพื่อนที่ดีหาเพื่อนดีๆข้อสองมีศีลข้อสาหา หาฟังคำพูดที่ให้เปิดใจให้ใจเปิดข้อสี่คือปารรความเพียรข้อห้าคือเจริญปัญญาทำห้าอย่างเวลาเกิดอากุศลวิตกครอบงำใจได้เพื่อนดีขึ้นมาคนหนึ่งหรือท่านหนึ่งขึ้นมาเนยนะสี่ข้อนี้ก็ตามมาด้วยเข้าใจไหมเพื่อนดีจริงเนนะจะไม่ชักชวนให้ผิดศีลชักชวน ตักเตือนให้รักษาศีลแล้วแถมมีคําพูดห้าอย่างค<ำ>ําพูดห้าอย่างจําได้ไหมอะไรบ้างชักชวนให้มักน้อยชักชวนให้สันโดษชักชวนให้ให้ไม่คุกครีชักชวนให้วิเวกชักชวนให้ประรความเพี่ยน mm hmm. เวลาเราคุยกันคุยในแง่นี้ <laughs> ให้เพื่อนๆนเราเนี่ย <laughs> ได้ยินคำพูดอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นพระเจ้าบอกว่าให้หาคำพูดอย่างนี้ให้ง่ายๆคำพูดที่พาใจให้เปิดท่านใช้คำแปลกดีนะคำพูดที่พาใจให้เปิดแสดงว่าตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกใจเราปิดๆอยู่ป่ะ <c ười> คำพูดที่มันชักชวนให้ซื้อของชักชวนให้จับจ่ายเศรษฐกิจจะได้หมุนไปเ <c ười> งินจะได้หมุนไปโลคไม่มากๆตัหาเยอะๆเศรษฐกิจจะได้หมุ เฟื่องฟูสเกตเฟื่องฟูแต่กิเลสเยอะก็ไม่เอานะดูใจตัวเองดูใจตัวเองดีกว่าให้มักน้อยมักน้อยไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจจะล่มจมไหมไม่ล่มจมนะมีเงินออมเยอะขึ้นใช่ไหมมีเงินออมเยอะขึ้นเศรษฐกิจจะดูว่ามั่นคงแค่ไหนดูที่เงินออมเงินคงครังมากมากน้อยแค่ไหน ถ้าเงินคงครังมีน้อยมียุคหนึ่งเราเงินคงครังน้อยต้องไปกู้ไอเอ็มเอฟจำได้ไหมตอนนั้นเจ็บไหมแล้วจํำไหม <c oughs> แล้วก็ผ่านมาเจ็บอีกจํำไหม <c oughs> เจ็บต้องจํานะไม่งั้นเราเจ็บเจ็บซ้ําซากเจ็บซ้ําซากกลายเป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายตอนนี้กําลังรักษาแผลกันอยู่อย่าอย่าลืมความผิดพลาดผิดไปแล้วผิดไปแล้วก็ต้อง ก็ต้องเตือนตัวเองยอมรับตามความจริงว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วเราก็มาป้องกันช่วยกันระวังช่วยกันป้องกันทีนี้มันก็เป็นศิล ป, ปะของเราแล้วล่ะเวลาตักเตือนคนอื่นถึงเวลาตักเตือนหรือยังควรตักเตือนถ้าจะต้องตักเตือนตักเตือนในแง่ไหนตักเตือนด้วยคาพูดแบบไหนถ้ายังไม่สมควรอย่าพึ่งพูดเดี๋ยวผิดใจกันศิล ป, ปะตรงนี้นะเป็นศิล ป, ปะนะ พระเจ้าเวลาจะตักเตือนใครบางทียังไม่ตักเตือนทันทีปล่อยรอเวลาบางทีไม่ตักเตือนด้วยตัวเองอย่างเช่นพระชันนทพระชันนะเนนะี่ยถือตัวเองว่าเป็นผู้สนิทผู้สนิทของพระพุทธเจ้าอยู่ในวังด้วยกันเติบโตมาได้กันเกิดวันเดียวกันด้วยซ้ำไปพระชันนะเนี่ย เป็นสหาชาติไม่ใช่สาประชาชาตินะสาชาติคือเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันวันนั้นเลยวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเลยแล้วก็ตอนออกบวชก็เป็นคนเดียวที่ได้รับความไว้วางใจให้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจะภูมิใจตัวเองมากใครว่ากล่าวตักเตือนไม่ไม่ฟังฟังพระเจ้าองค์เดียวถือตัวตอนก่อนที่จะบปิิขิพานพระเจ้าบอกว่าให้สงลงพรหมทัน ลงพรมทานกับพระชนนะเพราะพระช น, นะไม่ฟังคนอื่นพอพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วจะไม่ฟังใครเลยเพราะฉะนั้นก็จะให้ลงพรมทานคือไม่ให้พระองค์ใดว่ากราบตักเตือนพระช น, นะต่อไปถ้าพระชนนะยังถือตัวดื้อรั้นว่าเป็นคนสนิทเป็นคนสําคัญไม่ฟังสง์ฟังแต่พระเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะก็จะไม่ได้รับคําตักเตือนจากสงต่อไปเหมือนฆ่ากันให้ตายเลย ฆ่าให้ตายดีกว่าอยู่กับหมูเลยนะแล้วหมูไม่ยอมไม่ยอมตักเตือนไม่ยอมว่ากล่าวไม่ยอมชี้แนะอะไรเลยเนี่ยนะเหมือนถูกฆ่าตายจากพระธรรมวินัยพอสงประกาศว่าต่อไปนี้เราจะไม่ว่ากล่าวท่านท่านอยากทำอะไรทำทำไปไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนหลังจากพระพุทธเจ้าไปรราลิขิพานแล้วนะพอสงมาประกาศว่า ต่อไปนี้เราจะลงพรมทานกับเธอคือจะเฉยจะเฉยไม่สอนไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนกับท่านท่านอยากทำอะไรทำพระช น, นะเป็นลมเลยมันรู้สึกกระแทกใจสุดโอ้เหมือนไม่มีใครครบอ่ะสลบสลบไปเลยพอฟื้นขึ้นมากราบขอขามาสงนี่นะถ้าไม่ลงพรมทานนะท่านจะไม่รู้สึกสำลึกว่าตัวเองเนี่ยทำผิดอะไรไป พาท่านถูกลงพรหมทันท่านสมลึกได้เลยว่าท่านทําผิดและท่านกระกลับดีขึ้นมาได้ด้วยนะแต่ว่าต้องรอจนพระพุทรเจ้าประสิทธิพานแล้วดูสิท่านรอบางอย่างเนี่ยไม่ใช่เตือนได้เลยไม่ใช่บอกได้เลยหรือแก้ไขตอนนั้นได้เลยรอรอเวลาเพราะนั้นเวลาเราเห็นอะไรทําใครทาอะไรไม่ถูกใจบางทีอาจจะต้องรอเวลารอรออีกไม่นาน